ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัญนาตมหาโคสิงฆาสารสูตรเนี่ยนะซึ่งรายละเอียดที่ปากโคสิงฆาสารวันที่พระมหาสาวกสาวกผู้ใหญ่ของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระสารีบทพระโมคคัลลานะพระมหากัสปะพระอนุรุทธะพระเรวตะพระอนนนท์เนี่ยนะซึ่ง พระทั้งห้ารูปคือพระมหาโมคคลานะพระมหากัสปะอนุรุทธะเรวตะและพระอนนท์ได้เข้าไปเยี่ยมไปหาพระสารีบุตรเพื่อจะฟังธรรมพระสารีบุตรก็ได้ถามพระเทระทั้งหลายเริ่มตั้งแต่พระอนนท์ว่าป่าโคสิงค้าสาลวันนั้นน่ารื่นรมด้วยพระพิสุเช่นไรเนี่ยนะซึ่งท่านแรกที่ตอบไปก็คือพระอนนท์ท่านที่สองก็คือพระเรวตะ ในเมื่อท่านพระเรวัตเนี่ยนะกล่าวตอบพระสารีบุตรไปแล้วท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธาว่าท่านอนุรุทธะปฏิพานตามที่เป็นของตนท่านพระเรวตะได้พยากรณ์แล้วคือพระเรวตะพยากรณ์ว่าภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดียินดีในความหลีกเร้นเนี่ยประกอบเนืองเนืองซึ่งเจโตสมถะอันเป็นภายใน มีฌานไม่เหินห่างประกอบด้วยวิปัสนาพอกพูนสญยาคารพระภิกษุที่อยู่ด้วยวิเวกยินดีในสมถะและวิปัสนายินดีในเรือนว่างเปล่าเจริญสมถะวิปัสนาปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลป่าทั้งหลายสมควรกับภิกษุเช่นนี้ทีนี้เมื่อพระเรวัตตอบอย่างนี้ไปแล้วภาษาริบบทบอกว่าเราขอถามท่านพระอนุรุทธะ ในข้อนั้นว่าป่าโคสิงคฆาสารวันเนี่ยเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาระมีดอกบานสพรั่งทั่วต้นกลิ่นคล้ายกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปท่านพระนุรุทะป่าโคสิงคฆาสารวันจะพึงงามด้วยพิสุเห็นปานไรนะคือคือในทัศนคติของแต่ละคนเนี่ยยามเวลาตอนนี้ขณะนี้เนี่ย พระพิสุเหล่าใดควรจะอยู่ณสถานที่ตรงนี้เมื่ออยู่แล้วท่านอยู่ทําอะไรนะนะก็ออกความเห็นมาพระอนุนก็ตอบไปตามความเห็นของตนเพราะท่านเป็นพระหูสูตรท่านก็ชื่นชมพระพิสุที่เป็นพระหูสูตรพระเรวตตเนี่ยเป็นนักเพ่งฌานนียนะนะยินดีในการเจริญสมถะและวิปัสสนาท่านก็ชื่นชมผู้ที่เจริญอยู่ในสมถะและวิปัสสนาส่วนพระอนุรุทธะท่านตอบว่า ท่านพระสารีบุตรภิกษุในศาสนานี้ย่อมตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งด้วยทิพจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของมนุษย์เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักสุขึ้นปราศาสอันงดอันงดงามชั้นบนพึงแลดูมณฑนแห่งกงตั้งพันได้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งด้วยทิพจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของมนุษย์ ท่านสารีบุตรป่าโคสิงค์คสารวันจะเพรงงามด้วยพิสุเห็นป่า น, นี้แหละก็ถือว่างามด้วยพระพิสุที่พิจารณาเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติและอุบัติเนี่ยนะหมายก็ว่าตายแล้วก็เกิดนั่งตรวจดูสัตว์ที่ตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดเนี่ยนะก็แปลว่าเหมือนกับท่าพูดแบบตอนนี้ก็คือนั่งเก็บสติว่าประชากรเนี่ยช่วงหนึ่งวินาทีเนี่ยตายกี่ราย ประชากรช่ววินาทีหนึ่งเกิดกี่รายเนี่ยนะพันแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยทันที่จริงแล้วชั่วขณะเราหายใจเ็นตายไปหลายคนแนะแล้วก็เด็กก็คลอดหลายคนเหมือนกันนะขณะ น, นี้อันนี้ที่เป็นมนุษย์นะแล้วเป็นเดรัจฉานเป็นต้นละมันก็เรียกว่าเก็บสถิติดูข้อมูลอัตราการตายและการเกิดอันนี้แต่ไม่ใช่ว่าดูจักรวาลเดียวตรวจ ด, ดูทั่วพันจักรวาลเหมั้นนันนะ ก็ว่าดูการเคลื่อนย้ายพยาิชากรจากนรกสู่นรกจากนรกสู่เปรตจากเปรตสู่เดรัจฉานจากเดรัจฉานสู่เดรัจฉานจากเดรัจฉานสู่เปรตจากเปรตสู่มนุษย์จากมนุษย์สู่เดรัจฉานเป็นต้นนี่ยนะก็ดูความเป็นมาเป็นไปเหมือนกับอะไรเหมือนกับตำรวจจราจรขึ้นอยู่บนที่สูงก็มองเห็นรถผ่านไปผ่านมาฉันใดก็ตรวจพิจารณาหมู่สัตว์ที่กําลังจุติและอุบัติเช่นนั้นเนี่ยนะก็เหมือนอะไรติดตาม ภาพดูนะจะดูเหมือนคล้ายติดตามข่าวสารข้อมูลของโลกคล้ายแต่ว่าคิดคลนละในกันในการตรวจดูพิจารณาดูหมู่สัตว์ที่ตายแล้วก็เกิดเนี่ยแล้วก็เห็นหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมคือคนเหล่านี้จะมีกรร ม, มสกตาปัญญาที่แม่นยำมากนะรู้หมู่สัตว์ที่เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่าใดทำกรรมด้วยกายวาจาใจาเป็นมิจฉาทิฏฐิเตียนพระรยเจ้า พบต่อไปเป็นอย่างไรสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะทีะ่ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจาเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเขาเป็นอย่างไรพันจะเห็นหมูสัตว์ที่ได้ดีบ้างเห็นหมูสัตว์ที่ตกยากเห็นหมูสัตว์ที่มีผิวพันธ์ดีเห็นหมูสัตว์ที่มีผิวพันธ์สามเห็นหมูสัตว์ที่เลวและประณีตจาเนกแยกแยะพร้อมทั้งเหตุและ ผลเนี่ยนะพิจารณากรรมและผลของกรรมเห็นความเป็นไปในวัตตะก็เรียกว่าเห็นความทุกข์ความยากความลำบากของวัตตะท่านจึงบอกว่ายังจิตให้สังเวทเพราะวัตตะภัยมันได้ข่าวอัตราการตายเนี่ยต่างๆแล้วเนี่ยถามว่าเราพ้นจากการตายในสภาพเหล่านั้นไหมเนี่ยนะได้ข่าวอย่างเช่นหลายประเทศที่เขาตายแบบแตายเยอะตายยะตายมากตายไม่เนี่ยนะตายกันมากมายมหาศาล เราพ้นจากความตายเหล่านั้นหรื อ, อยังทีนี้ถ้าหากว่าเราได้ข่าวอัตราการเกิดเราพ้นจากการเกิดในสภาพเหล่านั้นเหล่านั้นแล้วหรื อ, อยังเมื่อเรายังไม่พ้นจากสภาพการเกิดและการตายควรไหมที่จะสังเวท ภ, ภายในวัตตะเนี่ยนะควรไหมที่จะสังเวทภายในสังสารวัฏเมื่อสังเวทภายในวัตตะแล้วถามว่าทำยังไงที่จะออกจากวัตตะ ก็เจริญนิยานิกระทธรรมเจริญคุณธรรมที่นําออกจากวัตตน์นั่นเองด้วยการเจริญอนุปัสนาทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะก็เจริญสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาสังกัปปะหรือวิปัสนาที่เป็นสัมมาสังกัปปะที่เป็นไปกับวิปัสนาเนี่ยนะ ก็เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แเพื่อที่จะนําออกจากทุกข์ที่นี้ไอาการออกจากวัตฏะเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่รู้ทุกท้อทิพย์ภัยของวัตฏะจริงๆแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่คิดจะออกอะนะเมื่ออยู่สบายแล้วออกทําไมเนี่ยนะสำนวนว่าเอา้าเมื่อเรานั่งอยู่ตรงนี้สบายแล้วมาไล่ที่นั่งเราทําไมทําไมเราต้องออกด้วยเป็นต้นฉันใดเนี่ยนะคนที่เห็นว่าวัตฏะเนี่ยยืนก็สบายเดินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบาย เห็นก็สบายฟังก็สบายกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยสุขภาพก็ดีเรื่องราวี่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องนั้นก็น่าติดตามเรื่องนี้ก็น่าสนใจโอ้มีแต่ความสุขสันเนี่ยนะนจะออกไหมล่ะมันก็ไม่ออกอยู่แล้วมันก็ต้องเห็นพิษเห็นภัยว่าเออวัตตะมีภัยยังไง ท้าไมเราต้องออกไงออกแล้วมันมีคุณประโยชน์อย่างไรถ้าอยู่ในวัตฏะเฝ้าวัตฏะแล้วมันเสียหายอย่างไงมันทุกอย่างไงเนี่ยนะมันข้อมูลในเรื่องจุติปฏิสนธินี่แหละช่วยได้มางั้นอ่ะตรวจดูโลกตรวจดูหมู่สัตว์ที่กําลังจุติและอุบัติอย่างพูดถึงอัตราการตายเนี่ยนะตายด้วยอะไรตายโดยอุบัติเหตุบ้างตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆบ้า ง, ต, งตายด้วยกรณีต่างหลายที่เป็นเหตุให้เกิดตายแล้วอัตราการเกิดและเกิดที่ไหน หมูสัตว์ที่เกิดขึ้นมาแล้วสบายจริงหรือความเป็นไปในวัฏฏะทั้งอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะโลกสงบร่มเย็นจริงหรือผ่านมาแล้วหลายร้อยปีโลกในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยประชากรอยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่ลำบากจริงหรือหรืออัตราแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปในวัฏฏะข้างหน้าต่ อ, ต, อต่อไปหมูสัตว์จะอยู่ด้วยความผาสุกสนุกสบายจริงหรือและถ้าเราต้องไปปะปนอยู่กับฟูงหมูสัตว์เหล่านั้นเนี่ย เราจะมีความสุขจริงหรือถ้าเราไปอยู่ในสถานภาพเหล่านั้นเหล่านั้นเป็นที่น่าพอใจเป็นที่ประทับใจของเราจริงหรือมันก็น้อมไปพิจารณาเท่าใดก็จะเห็นโทษของวัตตะเท่านั้นเมื่อเห็นโทษของวัตตะเท่าใดใจก็น้อมไปที่จะเบื่อหน่ายเนี่ยนะน้อมไปที่จะเบื่อหน่ายในวัตตะน้อมไปที่จะคลายกำหนัดจากวัตตะน้อมไปที่จะรวบรวมคุณธรรมทั้งหลายที่ออกจากวัตตะเพราะเห็นพิษเห็นภัยเห็นทุกข์เห็นโทษต่างๆของ วัตตะว่าวัตะไม่ปลอดภัยเลยวัตะทั้งหลายเต็มไปด้วยปานาติบาตเต็มไปด้วยอธินนาทานเต็มไปด้วยกาเมสุมิฉาจารเต็มไปด้วยมูสาว่าเต็มไปด้วยสุรามีไรเต็มไปด้วยพุสวาจาปิสุนาวาจาสัมผับปลาปะมากไปด้วยอภิชาพยาบาดมิฉาทิฐิเพราะฉะนั้นเมื่อวัตภัยทั้งหลายมันเต็มไปด้วยอกุศลกรรมบทอย่างนี้ เนี่ยแล้วถามว่าเราอยู่ในวตัตฏะแล้วเราจะไม่เพื่อนอกุศลกรรมบทเหล่านั้นเลยหรือถ้าเราไปอยู่ในสถานภาพเหล่านั้นเหล่านั้นถ้าเราไปเป็นบุคคลเช่นเหล่านั้นเหล่านั้นแล้วเราพ้นจากสภาพนั้นแล้วหรือมันถ้าตรวจดูเห็นหมูสัตว์มากเท่าใดใจก็น้อมเพื่อจะเบื่อหน่ายเท่านั้นเนี่ยนะน้อมไปเพื่อเบื่อหน่ายแต่สำคัญที่สุดเนี่ยนะกรรมสกายานเนี่ยจะต้องแม่นยำเนี่ยนะก็เหมือนคนที่ ฟังข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกเนี่ยนะคนเหล่านี้ถ้าไม่มีกำไม่มีวิจารณญาณที่แม่นยําไม่มีกรรมสกตตยานที่แม่นยําก็ค่อนข้างจะฟุง้งซ่านแต่ว่าจริงๆแล้วข่าวคราวจากทั่วโลกเนี่ยนะโดยทั่วไปแล้วข่าวคาวเว้นจากปาณาติบาตไม่มากมีแต่ข่าวคราวเกี่ยวกับการปาณาติบาตรรถไฟระเบิดภูกเขาไฟระเบิดแผ่นดินห ว, วั่นไหวน้ําท่วมเป็นต้นเนี่ยนะก็เต็มไปด้วยอะไร โลกนี้สงบร่มเย็นจริงหรือน่าอยู่จริงหรือแล้วตรงไหนบ้างมันน่าเกิดอ่ะถามถ้าจะกลับมาใหม่มาอยู่ตรงไหนนะถ้าถ้าคิดแบบในสายตาแบบเอาลองวันนี้ลองฉลาดสักวันหนึ่งเะเหมือนกับว่าลองคิดออกเออวันนี้เนี่ยขอเก่งเช่นกับพระอนรุธะสักวันหนึ่งตรวจดูมูสัตว์ที่จุติปฏิสนที่ให้เลือกเลยอ่ะเอากลางแผนที่โลกมาตรวจเลยเอาประชากรโลกหกพันสรอล้านเนี่ยมานั่งเช็คเลยนะตรงไหนมันน่าเกิดบ้างอ่ะ น่าเกิดตรงไหนหน่าจะอยู่ภูมิประเทศอะไรน่าพูดภาษาอะไรน่ารู้อะไรน่าเรียนอะไรตรงไหนมันดีจริงๆริบางที่เราแม้สนใจเลือเกินแล้วทําไมจึงสนใจแบบนั้นอ่ะถ้าเกิดสนใจจริงอะไรอย่างนั้นมันดียังไงเนะีนะ่ยที่สุดของสิ่งนั้นคืออะไรเบื้องต้นคืออะไรท่ามกลางคืออะไรที่สุดคืออะไรเบื้องต้นก็น้ำตาท่ามกลางก็หยดเหงือ่อแล้วเบื้องปลายก็เลือดท่วมจุติเนี่ยนะนะอำลาจากโลกนี้ไปแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยนะ แต่พูดอย่างนี้เชื่อเหอะก็คิดว่าคงจะอยากออกจากวัฏฏะบ้างอะนะแต่ว่าเชื่อไหมอยากออกจากวัตฏะหน่อยหนึ่งที่เหลือก็ยินดีในวัฏฏะต่อไปไม่จริงไม่จริงอ่ะจริงได้ยังไงเนี๋ยนะนี่ถ้ามีเสื้อกับพระไตรปิฎกจะดูเสื้อก่อนหรือดูพระไตรปิฎกก่อนอันนะัก็อาจจะดูเสื้อที่ที่สวยๆก่อนอะนะนะหมายความว่ามีมีตั้งหลายอย่างเนี่ยลองเปรียบดูเถอะเนี่ยนะนะก็ลองคิดว่าน้อมจะเห็นอริยศาสหรือว่าเอาอางนี้ก่ ถ้าคนเขามาพูดกับเราตรงๆ ต, ตามความเป็นจริงหรือเขามาหลอกเราเราชอบฟังอะไนมากกว่ากั น, อ, น, นอ่ะนะเอาบอกมานี้นะอสุภะทั้งนั้นเลยนี้ปฏิกูลนี้อ น, นิจจังนี้ทุกขังอนัตตานี้โรคโตสา ร, รตโตเป็นต้นเนี่ยนะกับฟังโอ้งามจังเลยเนี่ยนะชอบฟังอะไนก็ ก, ก็ลองตรวจตัว ด, ดูเถเราจะรู้ว่าเออเราเองก็เพี้ยนเพียนเยอะเหมือนกันนะอันไอไอสิ่งไหนที่ไม่ค่อยจริงเนี่ยเขาก็ชอบฟังไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะไอตรงไหนที่เป็นความจริงมันรับไม่ค่อยได้เลยอะ คนนะคุณเนี่ยขี้งุดงดง่ายเองมันก็จริงอะนะแต่ว่าอย่าบอกฉันเลยฉันคอยรู้ในใจเองก็ได้อย่างเง้ยนะเป็นต้นฉันหลายๆอย่างเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรายอมรับที่จะเห็นความจริงไหมน้อมใจเพื่อจะเห็นความจริงไหมแต่อย่าลืมว่าความจริงนั้นความจริงมีสีด้านเน่ยนะที่เรียกว่าอริยสัจสี่ความจริงที่ควรกําหนดรอบรู้ความจริงที่ควรละความจริงที่ควรทําให้แจ้งความจริงที่ควรเจริญ ความจริงที่ควรละความจริงที่ควรกำหนดรอบรู้เป็นความจริงที่ที่ไม่ดีเนี่ยนะเป็นความจริงที่ปนเปื้อนไปด้วยชาติชราและมรณะแต่ความจริงที่ที่นำออกจากทุกเนี่ยนะความจริงที่ควรทำให้แจ้งอันเนี้ยพ้นจากชาติชราและมรณะความจริงที่นำออกจากทุกเป็นความจริงที่ดีแท้คือความจริงที่เป็นอริยมรรคเป็นความจริงที่เป็น ไตรสิกขาเพราะความจริงเนี่ยนะเราต้องพยายามคิดให้ครบ4ด้านเรียกว่าสี่มิติคือในด้านอริยสัจทั้ง4ี่ประการแต่ถ้าเราไม่คิดอริยสัจสี่ประการโอ้ยเนี่ยมันมีแต่ชาติมีแต่ชรามราณาคิดแล้วก็เบื่อเนี่ยนะนะทำอะไรสนุกสนุกเลยกว่าก็คือเนี่ยแหละคิดด้านเดียวมันต้องพยายามคิดทั้ง4ี่ด้านคิดทางนี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกข์นี้ธรรมที่สงบทุกข์นี้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์นี้ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุก์ แล้ถ้าพูดแบบนี้โรคนี้เหตุให้เกิดโรคสภาพที่หายโรคความพ้นจากโรคปราศจากโรคเป็นอย่างนี้วิธีแก้ไขรักษาโรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตัดสมุดฐานเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องมองสีด้านมองโรคเห็นให้เกิดโรคความหายโรคและวิธีการรักษาโรคที่เป็นไปเพื่อหายโรคอย่างเด็ดขาดอริยสัจก็ต้องมองอย่างนั้นนั้นคนที่มองชีวิตในวัฏฏะทั้งหลายก็ต้องมองอย่างนั้นมองเห็นความเกิด นะมองเห็นชาติชารามรณะเพราะว่าเรียกว่าตรวจดูโลกธาตุมันก็เห็นอะไรก็เห็นชาติชาราและมรณะเนี่ยนะเห็นชาติชารามรณ ะ, ะที่ตั้งแห่งโศกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสนี่นะเหตุก็คือเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นถ้าดับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นความสุขแท้แล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้น พระอนุรุทธะท่านบอกว่าเมื่อตรวจดูโลกตรวจดูหมู่สัตว์ที่กําลังจุติและอุบัติมันข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการตายการเกิดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่เป็นเรื่องที่ควรมีข้อมูลเนี่ยนะควรที่จะกําหนดรอบรู้เมื่อรอบรู้อย่างนี้แล้วจะได้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดพ้นจากความเกิดก็สามารถทําให้แจ้งธรรมเป็นที่พ้นจากความเกิดทําให้แจ้งธรรมที่พ้นจากความแก่และ ความตายเรียกว่าโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมที่ผลจากความเกิดความแก่และความตายพร้อมทั้งข้อปฏิบัติ